ซาบช้างนับสิที่ยังไม่ได้แล่เนื้อคงกองเป็นภูเขาอยู่เป็นหย่อมย่อมและเริ่มจะพองอืดขึ้นแต่ยังไม่ถึงกระสงกลิ่นส่วนราวไว้ที่แล่เนื้อเป็นชิ้นพึงไว้ให้น้ำตกกับรั้านย่างเนื้อรมควันซึ่งทำไว้เมื่อบ่ายวานถูกทำลายปนปี้ไม่มีชิ้นดีเนื้อที่จะอาศัยเป็นสเสบียงกลางประทังชีพได้บ้าง จากการลงแรงช่วยกันช่ำแหละแร่ไว้เมื่อบ่ายวานกินเวลาหลายชั่วโมงถูกถึงขาดจากการขึงโยงไว้ลาบเนื้อพวกนั้นลงมาคลุกกรฝุ่นและละอองดินรวมทั้งช่วยกันเหยียบย่ำด้วยบาทาคดชะสารกะจำนวนว่าราวสีห้าตัวที่ย่องเงียบเข้ามาเป็นหน่วยวินาศกรรมไม่สามารถจะนำมาใช้ประโยชน์ในทางอาหารได้อีกเหล่านี้เป็นการส่อเจตนาชัดแจ้ง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 ก็ถูกมันกระชากออกมาหัดแล้วเวียงทิ้งอย่างเครียดแค้นชิงชันนี่ทําเมื่อคืนที่แล้วนายสบายดีสัอย่างเดียวเราคงจะนอนกันอยู่ตรงที่ตั้งตางทักนี่แหละก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะกล้าย่องเข้ามาไหมเกิดคำรามออกมาอย่างเดือดดาลหัวฟัดหัวเวี่ยงแล้วแหกปากตะโกนท้าทายขึ้นเฮ้ย hey, ไอ้มันไรไอ้งาดําพวกมึงแน่จริงก็โผล่มาเดี๋ยวนี้สิเวย้ย บุญคำยกเท้าทิมกันไ้ที่ก้นด้านหลังของเจ้าพรานเด็กหนุ่มแอนไปไอเวรเกิดมันไม่โผล่มาพบกับเองตอนนี้หรอกแต่ถ้าเองหลับหรือเผลอเมไรก็ให้รู้ไว้มันเข่าถึงคอหอยเองแนะ่ไม่ต้องไปท้ามหรอกนี่โทเสือแคกปากออกมาได้เมื่อคืนนี้ตาข่า้จันตื่นขึ้นมาไม่ทันเองไงเสยก็คอหักไปแล้ว ไม่มารอง้าเยงเยงอวดเก่งอย่างนี้ได้หรอกรพินยืนพิจารณาไปรอบรอบตัวเท่าที่สายตาจะฝ่าหมอกออกไปให้เห็นได้และเดินตรวจบริเวณแวดล้อมใกล้เคียงอีกครู่ก็ออกคำสั่งกับคนของเขาว่าไปกลับขึ้นที่พักเกิดก็เสรไปปลูกพวกโบมียให้ลุกขึ้นหาอาหารเชา้าและเตรียมตัวอพยพเข้าของลมาได้แล้วส่วนบุญคากจันน่ะไปปลูกพวกลูกหา บ, บางคนที่อาจจะนอนหลับอยู่ ให้เตรียมตัวพร้อมกว่าจะลำเลียงของลงมาได้หมดและกว่าจะพร้อมออกเดินทางก็คงจะสายมากทีเดียววันนี้ทั้งห้าคนไต่หน้าผากลับขึ้นมาอีกครั้งเกิดกระเซยแยกไปทางด้านหนึ่งบุญคํากะจันก็แยกไปอีกด้านหนึ่งส่วนระพินบ่ายหน้าไปยังถ้าเดิมของเขาอันเป็นถ้ของครอบครัวเสอเอิงเพื่อจะเก็บข้าวของส่วนตัวและปลุกเสอเอิงกับครอบครัวขึ้นพอดีเห็นร่างสูงของใครคนหนึ่ง กำลังลับๆ ล, ล่อๆยืนบังเงาหินอยู่เห็นแค่สีสักก็จำได้ว่าเป็นเชิดบุตรลักษณะกำลังแอบปัสสะเมื่อเขาไต่ใกล้เข้ามาจนถึงระดับไหลผาเชิดบุตรก็ทำธุระเสร็จตรงรี่มาหาเขาอย่างยิ้มแย้มหน้าตาสดชื่นแจ่มใสลงไปตรวจบริเวณข้างล่างเลยครับผมตื่นตะกี้นี้เองเห็นคริสเข้ามาในถ้ของผมกาลังต้มกาแฟอยู่ บอกว่าคุณตื่นแต่มืดเลยผมว่าจะตามคุณลงไปละแต่คริสบอกไว้ว่าคุณสั่งห้ามไม่พวกเราคนใดตามลงไปก็เลยเกลียว่าดักอยู่ตรงนี้นครับรบพินยิ้มตอบเชิดวุดไม่ทักเปล่าตรงรีเข้ามาจับแขนไว้แน่นและสำรวจสีหน้าเหมือนจะค้นหาวิแวลของอาการเจ็บป่วยว่ายังหลงเหลืออยู่บ้างหรือไม่พวกเราตื่นขึ้นหมดแล้วแหละครับส่วนมากก็รู้สึกตัวกันแล้วละ่ะ แต่มันหนาวมากก็เลยยังนอนคู่ห่มผ้ากันอยู่ก็มีแต่คริสคนเดียวเท่านั้นที่ทำหน้าที่ต้มน้าผมเองก็ว่าจะนอนต่อเหมือนกันนะแต่พอรู้ข่าวจากคริสว่าคุณลงไปตรวจข้างล่างก็เลยหายง่วงประกอบกับปวดฉี่กลั้นไม่ไหวก็เลยลุกออกมากระพินหัวเราะบเบาๆไม่กล่าวอะไรจับแขนนายทหารรุ่นน้องพาเดินเข้าไปในถ้ำของเขาบุตรชายท่านนายพลเดินตามเข้าไปอย่างเต็มใจ ระหว่างที่รับพินตะโกนเรียกเสะเอิงให้ลุกตื่นและลงนั่งเก็บของส่วนตัวรวบรวมลงย่ามหลังเชิดบุตรนั่งลงใกล้ๆด้วยกระซิบถามรีตาดูเขาอย่างมีเลสในเป็นยังไงบ้างครับเมื่อคืนนี้หลังจากที่เบนมาตามตัวผมออกไปแล้วอ่าอะไรละครับที่ว่าเป็นยังไงอะ่ะหลับสนิทดีไหมครับก็หลับสนิทดีมากะครับ แล้วก็ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ออกเดินทางมาเพราะเจอยานอนหลับเข้าไประพินตอบอย่างพาซือแล้วก่อนหลับถึงสุขขาวว่าดีแดนสวรรค์หรือเปล่าประโยคหลังทําเอาระพินหยุดชะงักการหยิบโน่นฉวยนี่ลงย่ามไปชั่วขณะเหลือตามองหน้าแล้วหัวเราะด้วยน้าเสียงเอือยเรื่อยๆของเขาโถคุณ ผมนั่นไม่ใช่การมนนิสนะครับก็เลยไม่คิดที่จะไปสุ ข, ขาวดีแดนสวรรค์เอาแค่หลับโดยไม่มีอะไรมารบกวนให้ต้องตื่นพรวดพราดขึ้นมาคว้าปืนก็นับว่าสุขที่สุดแล้วละ่ะสำหรับชีวิตอย่างผมเฮย้ยหมดท่าเลยพี่ชายเราเชิดบุญจุปากเบาๆโครงหัวทำไมอ่ะทำไมถึงปล่อยโอกาสให้มันพลาดไปอย่างงี้เล่าโอกาสอะไระครับ โอ้จะต้องให้ผมพูดด้วยเหรอเนี่ยคุณเชิดบุธอาจไม่เข้าใจนะแต่คริสเข้าใจผมดีที่สุดครับเราพอจะไปด้วยกันได้ดีพอควรในฐานะเพื่อนร่วมทางแต่ไม่ใช่ในฐานะอื่นครับอฮ้ยมันน่าเสียดายจริงปะผาเป็นผมหน่อยไม่ได้แหมทำไมนะคุณพินทำไมคุณถึงไม่เข้าท่าเลยแบบนี้ ก็ผมพอใจในความไม่เข้าท่าของผมในเรื่องนี้นี่ครับคุณบุษแล้วก็ถือเป็นเกียรติยศทางใจของผมด้วยผมน่าไม่เหมือนผู้ชายทั่วๆไปหรอกไอ้เจาว่าเชยก็ยอมรับละ่ะหรือผู้หญิงคนไหนจะด่าว่าควายผมก็ไม่เถียงไม่ปฏิเสธผม น, น่าจะถามคุณบุธมากกว่าว่าสบายองค์หรือยังอะเมื่อค่นคืนที่แล้วอะเชิดบุษยิ้มพลายโห้ หายปวดหวัวเป็นปรีดทิ้งเลยครับวันนี้นะผมว่าผมเดินตามคุณได้อย่างสบายอะ่ะถึงไหนถึงกันมีภูมิคุ้มกันไปได้อีกสองวันสบายสบายไม่งั้นมันหงุดหงิด ต, ตัวหนักยังไงพี่กนรพินส่งมือมาให้จับแล้วเขย่าแรงๆเป็นสิ่งที่ดีมากครับที่อะไรต่ออะไรมันทำให้คุณเชิดบุตรมีกาลังใจมีแรงเดินขึ้นขอแสดงความยินดีด้วยครับ ว่าแต่เรียบร้อยสมบูรณ์แบบเสร็จสมอารมณ์หมายไม่ครึ่ ง, งกลางกลางเหมือนอย่างที่เคยบ่นมานะครับอะไรนะพญานาคหมดฤทธิ์พ้นพิษออกนอกถ้าอะ่ะบุตรชายในท่านนายพลตัวแทนฝ่ายกะลาโหมหัวรอกกากะกระกรห้ยพี่ไม่นอกถ้าเลยแล้วครับแต่สุดก้นถ้าเลยแด็แหละไม่ยอมให้กระชอกออกมาสักจุดหนึ่งเฮ้ เพิ่งจะครั้งแรกจริงๆนะพี่นะนับตั้งแต่รอโอกาสมาตั้งแต่กรุงเทพแล้วเป็นไงมั่งครับคราวนี้ผมเป็นฝ่ายถามคุณมั่งล่ะแล้วลพินชวนคุยโดยไม่มีเจตนาอะไรมากเพียงแต่อยากจะเอาใจเพราะรู้ว่าเชิดบุญชอบที่จะหาโอกาสหรือระบายอะไรๆกับเขาโอ้โหบอกไม่ถูกผิดคาจริงๆเห็นรูปร่างครั้งแรกนึกว่าจะปูพร ที่ไหนได้ลั่นเจ็ดชั้นเลยทั้งๆที่ไอ้บ้าคิดและเลงไว้ก่อนแล้วเมื่อตอนหัวค่ำผมแทบร้องกรี๊ดมีเท่าไรเท่าไรไม่เหลือเลยแล้วเจ้าตัวร่วมมือด้วยดีป่ะอย่างดีที่สุดกระครับแต่ไม่รู้ว่าจะดียังงี้ไปได้อีกสักกี่ครั้งไว้ใจไม่เคยได้อะไม่นานน้าดีเ ป, ป็นลมๆไหมสงสัยไอ้ขี้จะปูทางไว้ก่อนแล้ว แต่ไม่ช่วยให้แม่เจ้าประคุณคลี่คลายได้พอผมตามหลังก็เลยปลอดโปรง่งไงโชคดีครับที่คิดทําความตกลงกับคุณได้บอกตรงๆนะก่อนจะออกเดินทางนะ่ะผม่็กลัวจังกลัวว่าคุณกะคีจะฆ่ากันตายกลางป่าเพราะเรื่องนี้นึกไม่ถึงว่าจะสามารถคีกันได้เชิดพุดหัวเราะไม่หรอกครับไอ้นั่นมานคนวิถีฐาน บ, าบา้า อยู่ไม่น้อยกว่าผมเหมือนกันถ้าจะเตะปากกันเมื่อไรก็ไม่ใช่เรื่องเบงพระรายนี้พอจะตกลงผลัดเปลี่ยนคิวกันได้จะจะเตะกันก็ว่าน่าจะเป็นเรื่องคริ ส, สมากกว่าเพราะผมก็รู้ว่ามันก็เรออาโ่าจะเหมือนกันแต่ผมมั่นใจนะว่าคริสนจะไม่ยุ่งในในคีตหรือสแตนลีมาก่อนเลยแน่ใจอะ่ะโทรผมดูออกนะ ถ้างั้นก็ตกลงกันในเงื่อนไขเหมือนเดิมก็ได้ทำไมจะต้องเตะปากเพราะแย่งกันด้วยแล้วจะจับไม้สั้นไม้ยาวก็ได้ใครก่อนใครหลังคำพูดหน้าตาเฉยของรพินทามาเชิดบุตรกลั้นหัวเราะจนตัวงอท้องเขย่าไปหมดผมก็ว่าจะหาโอกาสเหมาะตกลงกับไอ้คิดในเรื่องนี้เหมือนกันเลยแต่คุณก็รู้นี่รพินคริสต์ไม่เหมือนใคร ดีไม่ดีเจอกระสุนเอ็มสิบกด้วยกันทั้งคู่แหละคนถูกให้ท่าหรือจะไม่คิดจะสนใจใยดีไอคนที่อยากจะสมาคมด้วยเหรอไม่จะประคุณก็ไม่ปรารถนามันกลับกันซะ น, นี่ผมนี่อยากจะเปลี่ยนเป็นตัวคุณระพินจริงๆให้ตายดิระพินยิ้มแต่เป็นยิ้มซึมๆอย่าเลยครับคุณบุตรอย่าเป็นผมเลยเพราะถ้าคุณเป็นผมเมื่อไหร่ คุณจะปวดร้าวใจและทุกข์ทรมานที่สุดครับก็ที่ต้องพลัดพรากจากคนที่คุณแสนรักมาโดยไม่มีหวังจะได้กลับไปเห็นหน้ากันอีกนั่นแหละไอ้ล้าบังผมคิดถึงเธอครั้งเดียวนะผมพอทนได้ครับแต่เมื่อคิดว่าเธอก็คงทุกข์ทรมานใจไม่น้อยไปกว่าผมมันยิ่งทำให้ผมเศร้าแล้วก็ทุกข์หนักลงไปกว่าเดิมอีกหลายเท่าผมใจดำกับเธอมากครับที่จากเธอโดยไม่บอกให้ทราบเลย มันก็เหมือนก็ตทอดทิ้งเธอเฉยๆอย่างไม่อะไรใ ย, ยดีงั้นแหละถ้าผมแน่ใจว่าผมทำให้เธอลืมผมได้ผมจะสบายใจกว่านี้ครับแต่ผมคิดและเชื่อมั่นว่าเธอไม่มีวันลืมผมและป่านนี้ไม่ทราบว่าเธอจะมีความทุกข์สักขนาดไหนคำพูดของระพินไพรวันทำให้เชิดบุตรหมดอารมณ์สนุกคึกขนองลงทันทีหมองหน้าเขานิ่งไปนาน ระพินคุณเชื่อในเรื่องพรมลิกิดไหมครับผมเชื่อครับอถ้างั้นคุณก็ควรจะปจะรุงเถอะผมก็พยายามอย่างที่สุดแล้วครับไม่งั้นผมคงไม่มีแรงเดินนําทางพวกคุณได้หรอกถามจริงนะระพินคุณเชื่อว่าคุณไม่มีหวังที่จะได้กลับไปพบเธอผู้นั้นอีกแล้วเหรอ เก้าสิบเก้าจุเก้าเก้าเปอร์เซนครับเพราะหนทางที่เรานำพวกคุณไปเนี่ยก็คือหนทางแห่งความตายมองเห็นชัดๆอยู่แล้วเชิดวุธอึ้งอีกครั้งก่อนจะกล่าวว่าก็ทั้งนั้นทำไมคุณไม่ตัดใจซะล่ะหาอะไรบรรเทา ย, ย้อมใจแก้ขัดไปพลางๆจะได้ไม่ต้องคิดอะไรมากจำพรานจัดของเสร็จ ตวัดเปหลังขึ้นพาดไหลผมบอกแล้วไงครับคุณพุธว่าผมน่ะไม่เหมือนผู้ชายอื่นหรือสมัยก่อนนี้ก็อาจเหมือนผู้ชายอื่นทั่วไปแต่นับตั้งแต่พบเธอผู้นั้นแล้วนะครับความรู้สึกนึกคิดของผมน่ะเปลี่ยนแปลงไปหมดในลมหายใจเฮือกสุดท้ายก่อนตายไปจากโลกนี้ขอให้เทพเจ้าจงเป็นพยานเถอะครับ ว่าผมได้ตายไปพร้อมกับความสุจริตความซื่อสัตย์ในความรักที่มีต่อเธอผู้นั้นเพียงคนเดียวถ้าแม้ว่าจะพลั้งพลาดอะไรลงไปก็แปลว่าหมดสติไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเจตนาช่อฉนทรยศกรนาหยุดเรื่องนี้นะครับเราไปกันที่ถ้าของพวกนั้นกันดีกว่าผมรู้สึกหิวและต้องการจะพึ่งพาอาหารเรซ่นเขาเป็นครั้งแรกแล้วครับ นายจ้างอเมริกันของเขาตื่นและลุกขึ้นจากที่นอนกันหมดแล้วขณะที่ระพินกระเชิดบุษเข้าไปกาแฟที่คริสติน่าถือโอกาสต้มไว้ก่อนแล้วก็รินไว้คอยท่าพร้อมทั้งหมดทักทายเขาตามปกติวิสัยของการพบหน้าในยามเช้าอากาศเบื้องนอกเริ่มใสขึ้นบ้างแล้วพร้อมกับลำแสงตะวันที่สาดลงมาไล่ละอองหมอกพรานใหญ่ลงนั่งร่วมวง แน่ใจไหมครับประพินว่าเรียบร้อยสำหรับสุขภาพของคุณในเช้าวันนี้หัวหน้าคณะถามยิ้มยิ้มจ้องสํารวจข้าวหน้าอาการของเขาแน่ใจครับนี่ให้เบนเช็คซะหน่อย อ, อีกหน่อยเถอะไม่ต้องอะไรมากหรอกเอาแค่ชีพจรกับความดันก็พอแต่ก่อนอื่นก็รองท้องด้วยกาแฟซะ ก, ก่อนแล้วกันจอมพลไม่กล่าวอะไรในขณะนั้น คีตเป็นคนส่งถ้วยพลาสติกบรรจุ ก, กาแฟให้เขาคริสเตรียมของอยู่เงียบๆและดูเหมือนเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ทักทายอะไรระพินเลยเมื่อระพินย่างก้าวเข้ามาร่วมด้วยเบลคว้าเครื่องวัดความดันเดินมาคุกเข่าตรงหน้าแล้วกล่าวว่าดูหน้าตาท่าทางก็รู้นะว่าวันนี้พวกเราไม่มีวันเดินตามเขาได้ทันหรอกมนุษย์เหล็กแทๆ้ๆคนธรรมดาสามัญที่ไหน่ะเขาเนี่ย รบพินยิ้มเลี่ยนๆแต่วันนี้เราคงจะเดินทางกันไปไม่ได้เร็วนักหรอกครับเพราะมีคาราวานของกระเหี่ยงพวกนี้ไม่น้อยกว่าหกเจ็ดสิบคนติดตามไปด้วยรวมทั้งสัมภาระข้าวของลูกเล็กเด็กแดงและกว่าจะขนของเคลื่อนย้ายกันลงไปตั้งขบวนได้ที่ลานใต้หน้าผาอันเป็นจุดเริ่มต้นผมก็กะว่าเห็นจะกินเวลาไม่น้อยกว่าสองชั่วโมงเต็มๆนักจากนี้ เขาดื่มกาแฟรวดเดียวหมดถ้วยแล้วยื่นข้อมือไปให้หมอเบลตรวจชีพจรก่อนหลอนจับแล้วเหลือบดูนาฬิกาอึดใจเดียวก็บอกลอยๆกับทุกคนว่านึกออกแล้วล่ะว่าทําไมเขาถึงออกแรงหนักแล้วไม่ค่อยเหนื่อยเร็วเหมือนกับพวกเราก็อัตราชีพจรเต้นช้าและหนักแน่นแรงดีมากเราวหกสิบแปดถึงเจ็ดสิบต่อนาทีเท่านั้น นักกีฬาที่เหนื่อยช้ามีอัตราชีพจรอยู่ในเกณฑ์ต่ำเช่นนี้ทุกคนอ่ะไหนยื่นท่อนแขนมาสิหลอนออกคำสั่งรพินส่งแขนข้างหนึ่งไปให้สำหรับรัดพันกระเครื่องวัดความดันพอหลอนถอดหูฟังเก็บลงกล่องสแตนลีย์ก็ถามเท่าไหร่เดือนปกติคาจยา์รอยยี่สิบเก้าสิบเขาไม่ได้แข็งใจอวดเก่งหรอกเรา แต่สภาพทางร่างกายของเขานะ่ะกลับคืนมาแล้วค่ะ <c oughs> ดีมากโล่งอกไปทีอเมริกันอาวุโสยิ้มร่ารพินบอกเรือเรียบว่าพระหมอเก่งและพยาบาลก็มีความการุณามากแล้วครับผมถึงได้หายเร็วทั้งทั้งที่เมื่อวานะจะตายไม่ตายแหล่อยู่แล้วคริสติน่าไม่หันมาทางเขากำลังแกะกระดาษเคมีซับหน้าแทนการล้างหน้าอยู่ พูดเสียงเย็นชามาวะ่าคงไม่เกี่ยวกับพยาบาลละมะั้งมันเกี่ยวกับกําลังใจและภูมิต้านทานโดยธรรมชาติในตัวของคนไข้เองซะมากกว่ามะอาหารเช้าจากเครื่องกระป๋องเริ่มขึ้นระพินหันไปทางพันเอกลาริคิดผู้กินไปพลางทําอะไรกุกกักกุกกักอยู่กับเครื่องวิทยุรับส่งประจาคณะไปพลางตบโน่นทุบนี่เสียงตุกตับตุกตักยุ่งไปหมด ไม่มีเสียงอะไรมากไปกว่าเสียงคลื่นอากาศลั่นครุขราครุขราโวนประสาทหูยังไม่ได้ผลเหรอคุณแอนคิดรพินถามก็แดมิดอยากกระทึบมันในพังรู้แล้วรู้รอดไปเฮ้บาสตาร์ดดังให้มันเป็นภาษาคนสะ ด, ดี้วประโยคหลังนายคิดตะโกนใส่เครื่องรับส่งนี่ การุณนนาหยุดไอเสียงหนวกหูระยำนั้นลงสักทีได้ไหมคิดต้องคานจังเบนร้องบอกมาอย่างหัวเสียขีดถอนใจฮือด่าแม่เครื่องรับส่งชั้นเยี่ยมเครื่องนั้นอีกครั้งหนึง่งแล้วดับสวิต์พระถอยออกมาอย่างหมดอะไรตายยากเชื่อผมนะครับให้พ้นบริเวณหุบผาตรงนี้ออกไปสักหน่อยแล้วค่อยลองดูใหม่ผมแน่ใจนะว่ามันยังใช้การได้ ป่านนี้พวกบนโน้นมันคงนึกว่าพวกเราน่ะไตหงุดไตห่าไปหมดแล้วก็ติดต่อกันไม่ได้เลยผมเชื่อว่าตลอดเวลามันคงพยายามเรียกลงมานะ่ะแต่เครื่องเราน่ยเสือกรับไม่ได้เพราะมีแร่ธาตุลึกลับอะไรบางอย่างผลักดันสกัดไว้เชิด ว, วุฒิรอบชำเลืองดุรพินเห็นเขาวางหน้าเฉยบริเวณทางผ่านปากถ้าที่พักกันอยู่ เริ่มเห็นพวกกรเรียงเดินผ่านกันเกะกะไปมาแล้วพร้อมทั้งเสียงพูดจาตะโกนสั่งความกันพวกนั้นเริ่มทางานระเรียมตัวเคลื่อนย้ายพวกลูกหาบางคนก็ลูชงโงกหน้าเข้ามามีอาการเหมือนจะขนทยอยสัมภาระของฝ่ายนายจ้างลงไปก่อนแต่รพินโบกมือไล่บอกให้จัดเตรียมเรื่องอื่นซะ ก, ก่อนอย่าเพิ่งเข้ามารบกวนอะไรเพราะเห็นว่ายังมีเวลาอีกเหลือเฟือ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 ที่เราเผชิญอยู่นี้ตั้งแต่เมื่อวานนี่แล้วแต่ตอนนั้นเห็นว่าคุณยังอิดโรอยอยู่มากเช้าวันนี้ดูคุณสบายดีแล้วนี่ควรจะพูดให้ฟังชัดๆสถียนะจอมพรานมีข้าวหน้าที่เครียดขึมลงทันทีภายหลังจากนิ่งรองไปชั่วครู่เขาก็เอ่ยขึ้นช้าๆว่านี้นะครับสัญญากันก่อนว่าพวกคุณจะไม่หัวรอเยะ ใค้ส่วนจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะผมไม่บังคับและถ้าสงสัยอะไรก็ถามมาได้ผมจะพยายามอธิบายเท่าที่ผมรู้ผมเผชิญมาในครั้งนั้นโดยมีพยานบุคคลที่จะยืนยันได้คือพรานคู่ใจทั้งสี่ของผมครับสแตลลีคีดอิซาเบลและคริสติน่ามองกันเองไปมาแล้วเปลี่ยนมาจับที่เขาเป็นจุดเดียวกันหัวหน้าคณะส่งมือมาให้จับ ตกลงระพินเราสัญญาแล้วระพินไพร์วันก็เริ่มต้นเล่าถึงเหตุการณ์ที่เขาผ่านพบมาแล้วเมื่อครั้งนำคณะของคุณชายเชษฐาเดินทางในครั้งนั้นเฉพาะเหตุการณ์ที่ผ่านเข้าเขตแดนอันเป็นแดนสนทยานาครที่มีนามว่านิทรานาครตลอดจนความดีลับพิสดารของมันที่แฝงซ่อนอยู่จนเป็นเหตุให้ทุกคนในคณะแทบเอาชีวิตไม่รอด กระทั่งตัวเขาเองเป็นผู้แก้คำสาปโดยทำลายมหาคัมพีมายาวินพินาศเสื่อมสิ้นลบล้างอาถรรพ์ปลดปล่อยวิญญาณของพระนางพันธุมมวดีตลอดจนฆ่าราชบริพานผู้จงรักภักดีที่ถูกตรึงสะกดอยู่เป็นเวลานานนับการเวลาไม่ได้ให้หลุดพ้นจากการเป็นทาสของราชปุโรหิตอุบาทนามว่ามันไกร ซึ่งในครั้งนั้นเขาเชื่อว่าเขาทำได้สำเร็จและได้รับชัยชนะแล้วทุกคนเบิกตาโพง่งฟังเขาเล่าความเป็นไปชนิดแทบจะลืมหายใจทุกคนระหนักดีอยู่แล้วว่ามรคุเทศนำทางนามวารพินไม่เคยพูดอะไรในสิ่งที่เหลวไหลเหลือเชื่อตรงข้ามมิแต่จะหาทางกลบเกลื่อนและพูดเบนความสนใจให้กลายเป็นธรรมดาสหมด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 เท่าที่พบเห็นมากตาตัวเองส่วนตอนไหนที่เขาเองก็ไม่เข้าใจและไม่ทราบก็บอกไปตามนั้นคนห้าคนอเมริกัน4เชิดพุดธอีกหนึ่งผลับกันซักไซไล่เลียงเขาอย่างละเอียดทียิบทีเดียวแล้วอาการของคนทั้งห้าอันเป็นฝ่ายในจ้างของเขาก็อยู่ในสภาพที่ต่างๆกันออกไปสตลีและคริสตินานั่งตัวยืดตรง พอแข็งเหมือนถูกสาบเป็นหินนายคิดนะถ้าเกิดเรื่องปวดกระโหลกครั้งใดก็ดวดเล่าตามสันดาลเดิมแต่ครั้งนี้ซัดหนักกว่าทุกครั้งจนหน้าตาแดงถือเชิดบุธซึ่งระแค่ระคายมาก่อนแล้วแต่เพิ่งจะมาได้รับรายละเอียดนั่งเอามือกุมหลวงพ่อทวดที่แขวนคออยู่ขนลุกเกลียวเกลียวอยู่ตลอดเวลาหน้าซี่เหลือสองนิ้ว ส่วนอิซาเบลนั้นห่อตัวสันเทาเป็นลูกนก ท, ทั้งทั้งที่อากาศเริ่มอบอุ่นขึ้นแล้วมองหน้าคนโน้นทีคนนี้ทีมันเป็นเรื่องสยองขวัญหวาดเสียวที่สุดในชีวิตนับแต่หล่อนเคยได้ยินเรื่องราวประเภทนี้มาก่อนในรูปนวนิยายหรือต่อให้ดูภาพยนตร์ที่มนุษย์ทํำขึ้นก็ตามนี่แหละครับมันเป็นเรื่องที่เชื่อไม่ได้ ถ้าไม่มาเผชิญพบเห็นกระตาตัวเองผมรองอยู่นานนะครับว่าสมควรจะเล่าความจริงซึ่งสังเหตุซึ่งสาเหตุมันสืบเนื่องกันกับเหตุการณ์ที่เรากําลังเผชิญอยู่นี้ให้พวกท่านฟังหรือไม่แต่แล้วก็ต้องตัดสินใจเล่าครับแม้จะเสี่ยงต่อการที่ถูกพวกท่านกล่าวหาว่าผมนั่นเหลวไหลสักเพียงไหนเพราะผมต้องการให้ท่านได้เข้าใจไว้เผื่อว่าเราจ ะ, ะเผชิญหน้ารับมือกับมันได้อย่างรัดกุมขึ้น ถ้าพวกท่านไม่รู้โอกาสพลาดก็จะเกิดง่ายขึ้นอีกผมเองไม่กล้ารับรองว่าจะปกป้องคุ้มครองพวกท่านไว้ได้ทั่วถึงหรือไม่พวกท่านแต่ละคนจะต้องไม่ประมาทและจะต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับมันเองด้วยขณะที่ผมพูดข้อความเหล่านี้ออกไปและขณะที่ตอบปัญหาข้อซักถามของพวกท่านแต่ละข้อรับรองครับว่าสติสัมปชัญญะของผมครบถ้วนบริบูรณ์ ร่างกายก็แข็งแรงดีแล้วไม่ได้เกิดจากอาการเพอร้อพูดอะไรส่งเดชเลยจอมกุเทศกล่าวอย่างหนักแน่นแช่มช้าในตอนท้ายความเงียบบกคลุมบุคคลทั้งหกในสภาพที่นั่งล้อมวงสนทนากันไปชั่วขณะกระพินถ้าคุณนำเรื่องนี้มันเล่าซะก่อนเราก็คงรับฟังไม่ได้ ในที่สุดหัวหน้าคณะอันเป็นอเมริกันอาวุโสที่สุดในคณะพักเอ่ยขึ้นเป็นงานเป็นการตาสีฟ้าของเขามีประกายประหลาดแต่นี่คุณปล่อยพวกเรารเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ซะก่อนแล้วจึงบอกเหตุแห่งความเป็นมาแม้เราจะคลี่คลายออกไปไม่ได้ว่ามันเกิดได้ยังไงเราก็จำเป็นใชนะ่แล้วที่จะต้องรับฟังและยินดีปฏิบัติตามคาสั่ง คำแนะนําของคุณทุกอย่างรับรองได้ครับว่าพวกผมทุกคนจะไม่มีใครเห็นเป็นเรื่องร้ายสาระเลยครับนั่นเป็นสิ่งที่ผมต้องการที่สุดแล้วครับพรานใหญ่ยืนยันเดี๋ยวระพินเราขอความแน่ใจจากคุณอีกครั้งได้ไหมคริสติน่าพูดฉัดฉานชัดเจนขณะนี้ทั้งหมดใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง เพื่อให้คิดซึ่งไม่สันทัดภาษาไทยฟังเข้าใจด้วยคุณหมายถึงว่าวิญญาณอมตะชั่วร้ายของมันไรยังคงอยู่พร้อมกับอิทธิฤทธิ์เวทมนการีของมันแม้ว่าซากเดิมของมันอันเป็นนักบวชโลนซากสำรองที่เป็นเสือโคร่งดำและมหาคัมภีร์มายาวินจะถูกทำลายไปแล้วในครั้งนั้นใช่ไหมครับรอเอร์เซนครับ นี่คือความมั่นใจของผมครับและ ว, วิญญาณชั่วร้ายที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชน่ะมันมุ่งจองเวรพยาบาทอาฆาตคุณอยู่สาเหตุมาจากที่คุณไปล้างอาถรรพ์ของนิทรานครปลดปล่อยวิญญาณของปันธุมวดีผู้เป็นยอดเสน่หาของมันให้หลุดพ้นจากอำนาจของมันไปใช่ไหมถูกต้องครับแล้วมันก็หวนกลับมารอดักเล่นงานคุณ รึอคนฝ่ายคุณอีกครั้งโดยการเข้าไปสิงสู่อยู่ในซากของมัมมี่ศพอาบยาในสุสานนิพพานครที่พวกคุณยังไม่ได้ทําลายให้หมดสิ้นไปไม่เฉพาะแต่ตัวมันตัวเดียวเท่านั้นยังปลูกซากอื่นๆออกมาได้อีกโดยไม่จํากัดโดยอาจเรียกได้ว่าเป็นกองทัพก็ได้เพื่อทําสงครามกับเราทั้งด้านสงครามประสาทและประกาศสงครามกายชนิดถึงตัว สุดแต่มันจะได้โอกาสอย่างไหนอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับคุณเข้าใจถูกต้องครับคริสตินะ่าและช้างเหล่านั้นล่ะมันเป็นสัตว์เดรัจฉานธรรมดาเป็นส่วนประกอบของป่ามันมาร่วมงานกับมันไรได้ยังไงผู้ที่ตั้งคำถามนี้คือคิดพูดตลอดเวลาไม่เคยถามอะไรได้แต่ทำตาพองฟังแล้วดื่มบรั่นดี สะบัดหัวอยู่เร่าๆไปพลางอย่างนี้นะครับในมนมืดของทางตะวันออกมีอาคมอยู่ชนิดหนึ่งเรียกว่าหัวใจคชสารถ้าใครมีกลิิยาอาคมแก่กล้าจริงก็สามารถจะใช้วิวธีการชนิดนี้เรียกเอาช้างทั้งหมดให้มาใช้งานเป็นทาตได้แม้จะให้วิ่งเข้าหาลูกปืน ผู้ง่ายๆก็คือช้างตัวไหนร่วมมือกับ ม, มันก็แปลว่าตกอยู่ภายใต้มนบังคับของมันนั่นเองตามปกติแล้วช้างหรือสัตว์ป่าดุร้ายชนิดใดก็ตามจะไม่มีความฉลาดเลก่กลนและทำหน้าที่เป็นหน่วยกล้าตายได้ถึงขนาดนี้แค่ได้ยินเสียงปืนหรือถูกยิงล้มสักตัวสองตัวก็จะแผลหนีเพ่นป่าราดไปแล้วแต่นี่มันบุกเข้าใส่เราทุกด้านเรากันหน่วยคอมมานโดกล้าตาย ผิดวิสัยสัตว์ป่าธรรมดาไปมากและที่มันเลือกเอาช้างมาเป็นเครื่องมือก็เพราะช้างน่ะเป็นสัตว์ใหญ่มีพลังมากจะสังเกตได้ว่าช้างแต่ละตัวที่ยกขโขลงก็บุกตะลุยเราเป็นช้างชกันทั้งสิ่งไม่มีลูกช้างตัวเล็กๆเลยและขณะที่มันวิ่งเข้าใส่เรานะี่ะมันเป็นช้างที่มีผีลงแต่เมื่อถูกปืนล้มลงตายแล้วก็แค่ช้างธรรมดาธรรมดานันเอมันถูกมนบ์บังคับใช้ใมาฆ่าเรา หรือถูกค่าถ้าเราพร้อมกว่าพวกคุณจึงพากันแปลกใจว่าตัวแล้วตัวเล่าที่ถูกปืนสุดกลิ้งไปไอ้ตัวถัดถัดไปทำไมทำไมมันถึงไม่ถอยหนีกลับเหยียบย่าตะลุยซ่าของพวกมันเข้ามาใส่เราอยู่นั่นแหละจนเรายิงไม่ทันแล้วต้องเป็นฝ่ายถอยหนีมันนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากครับเอาละเราเข้าใจแล้วระพินคราวนี้ก็ถึงบทสรุป คุณจะเอาอยัางไงต่อไปล่ะสเตลีถามซึ่งซึ่งหน้าระพินลูบทางนิ่งงันไปชั่วขณะเสียงคริสติน่ากล่าวต่อมาว่าระพินเราเชื่อมือคุณนะภาษาไทยเ็าเรียกอะไรนะอ๋อสิทธ์มีครูคุณเองก็เป็นคนดีมีวิชาอยู่ไม่ใช่เหรอพลานใหญ่ยิ้มแแค่ใช่คริส ผมมีครูแต่ครูก็ไม่เคยสอนในเรื่องนี้โดยตรงนะมันเป็นวิชานอกตำราเรียนจะยังไงก็ตามก็เห็นจะต้องใช้วิธีประยุกต์ซะแล้วคือใช้ความรู้ที่มีอยู่ทั้งหมดไม่ว่าจะในทางศิศาสตวิทยศาสต ร, สตรและเครื่องไม้เครื่องมือเท่าที่จะมีอยู่นามารวมกันเข้าเออนั่นสิบอกให้รู้บ้างได้ไหมว่าเราจะต้องทายังไงบ้าง ในด้านการรับมือกับมันและช่วยพวกเราให้ปลอดภัยสิ่งที่เรากลัวที่สุดก็คือมันจะดักโจมตีเราไปในระหว่างทางเรื่อยๆสุดแต่โอกาสลิดรอนให้ตายไปทีละคนสองคนจนกระทั่งหมดทั้งคณะเชิดบุตพูดเสียงอ่อยๆโดยความจริงแล้วนะครับตอนนี้ผมยังคิดไม่ออกครับ ยกเว้นแต่จะแก้ไขเหตุการณ์เอาเฉพาะหน้าแต่ละครั้งเท่านั้นมันมีเป้าหมายสำคัญอยู่สามจุดที่เราจะต้องหาทางทำลายมันให้ได้ซึ่งจะให้ผลแค่ไหนน่ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งอะไรมั่งละ่ะทั้งห้าคนฝ่ายนายจ้างถามขึ้นพร้อมกันเรากันนัดกันไว้หนึ่งไอ้งาดำจากขลุงพบเมื่อไรล้มมันให้ได้ซะก่อน ผมแน่ใจครับว่ามันมีส่วนสัมพันธ์ใกล้ชิดที่สุดกับวิญญาณร้ายของมันไร่สองสากมัมมี่ตัวสำคัญอันมีลักษณะเป็นนักรบสูงใหญ่ตนนั้นซึ่งมันไรใช้เป็นร่างอาศัยกไอกตัวเดียวกันที่เข้ามาหาักคอลูกหาเราสองคนและล่อผมม่ไปตกเหวเมื่อคืนวานนี้น่แหละครับสามค้นหาสุสานหรือป่าชาหมื่นปีของนิทรานคร ที่เก็บมัมมี่พวกนั้นให้พบแล้วระเบิดหินภูเขาปิดหนทางเข้าออกซะอย่าให้มันไปเกณเอาไอ้ผีดิบเหล่านั้นออกมาร่วมมือใช้งานได้อีกส่วนการที่มันจะลอบเข้ามาเล่นงานทำร้ายเราไม่ว่าจะโดยวิธีใดถ้าหากผมหรือบุญคำยังอยู่รับรองได้ครับว่าผมกับบุญคายังพอจะสะกัดกั้นมันไว้ได้สาหรับวันนี้เราจะมุ่งเข้าหาห้วยเสือรองก่อน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 แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับผมจะตรวจสอบกระแผนที่ทางอากาศของพวกคุณให้พร้อมกันด้วยบางทีเครื่อง b ีห้าสิบสองมันอาจจะตกอยู่แถวแถวที่เราเจตนาจะไปอยู่แล้วก็ได้ครับทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นเป็นเรื่องของการเสี่ยงบุญเสี่ยงกรรมกันทั้งนั้นโดยมีชีวิตของพวกเราเป็นเดิมพันระพินวันนี้เป็นวันแรกนะ ที่คุณพูดหรืออธิบายอะไรพวกเราฟังอย่างจักแจ้งชัดเจนดีเหลือเกินเอาไงก็เอากันพวกเรายินดีที่จะปฏิบัติตามคุณทุกอย่างแล้วก็เชื่อมือคุณอย่างเต็มที่หัวหน้าคณะพูดขึ้นรัะพินไพรวันก็ยืนขึ้นในบัตรนั้นบอกกับทุกคนว่าทางนั้นก็เชิญตามผมมาครับผมจะนําพวกท่านให้ไปเห็นกาตาสําหรับไอ้ผีดิบที่พวกผมยิงหมดฤิ์ คาอยู่กับก้อนหินเมื่อคืนนี้แล้วก็ลงไปดูบริเวณด้านล่างที่พวกมันเอาช้างมารื้ราวตากเนื้อของเราพินาศหมดสิ้นด้วยระยะเวลาระหว่างนี้พวกลูกหาบจะได้เข้ามาเก็บของลําเลียงลงไปตั้งหลักข้างล่างครับทั้งหมดตามรพินออกมาทันทีพร้อมกับอาวุธประจํามือและเป้หลังโดยทิ้งสัมภาระต่างๆไว้ เพื่อให้พวกลูกหากเก็บรวบรวมเข้าหีบห่อพ่านใหญ่นำให้ไปดูซากแรกที่จันยิงกลิ้งลงไปค้างอยู่กระซอกหินอันเป็นตำแหน่งที่ใกล้ที่สุดซะกอ่อนมันก็มีลักษณะคล้ายคลึงไม่ผิดอะไรกับที่ฝ่ายนายจ้างทุกคนเคยเห็นมาแล้วนั่นเองถ้าจะผิดกันไปบ้างก็เพียงแต่สันฐานลักษณะของซากกระเครื่องแต่งกายซึ่งแตกต่างกันออกไปตามสภาพและสถานะ ของสิ่งที่เคยเป็นสมนุษย์ในยุคนั้นสิ่งที่น่ามหัศจรรย์ก็คือมันผิดกษะสมัมมี่ของชนเผ่าอายาคุปหรือพวกอินคาที่อเมริกันพวกนี้เคยศึกษาผ่านพบเห็นมาแล้วมากเพราะถึงแม้จะเป็นซากที่ดูแห้งกรอบแต่ก็ไม่ได้เหี่ยวโหดหรือมีส่วนผุพังชำรุดแต่ประการใดหนังที่รัดหุ้มโครงกระดูกใหญ่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 แสดงถึงอายุที่นานแสนนานนับการเวลาไม่ถูกเท่าเท่ากับพิสูจน์ชี้ชัดได้ว่าซากเหล่านั้นได้ถูกนำไปเก็บไว้ในถ้ำที่ชุ่มชื้นเยือกเย็นมีหยดน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดการอันเป็นลักษณะของถ้มที่จะเกิดหินงอกหินย้อยขึ้นได้ไม่มีร่องรอยเน่าเปื่อยอันผิดไปจากซากมนุษย์หรือสัตว์ธรรมดาภายหลังเมื่อศูนย์สิ้นชีพไปแล้ว และเป็นความลี้ลับที่สุดอีกข้อหนึ่งที่ว่ามนุษย์ในยุคนั้นใช้กรรมวิธีอาบยาศพให้คงสภาพอยู่เป็นนิรันดร์การเช่นนี้ได้อย่างไรพระสบอาบยาหรือมัมมี่ที่เคยพบเห็นศึกษากันมาบ้างแล้วนั้นแม้จะเก็ตรักษาข้าวโครงเดิมไว้ได้พอให้เห็นถึงอดีตสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ก็เป็นซากที่ผุกร่อนเหี่ยวยน่นหาความแข็งแรงทนทานใดๆไม่ได้เลย และจะหดลงเหลือในสภาพกองหนังและกองกระดูกเท่านั้นแต่ศพอา ญ, ญาของนิทรานครตามที่ระพินเล่าถึงความเป็นมาที่เคยเผชิญมาก่อนให้ฟังรวมทั้งที่มายืนรายล้อมพิจารณาใคร่ครวนกันอย่างจริงจังในครั้งนี้เป็นซากที่แกร่งกระด้างเหมือนแท่นไม้แกะสลักไม่มีผิดรวมทั้งมีน้าหนักมาก และมีขนาดใกล้เคียงกับสมัยที่มันควรจะมีชีวิตอยู่ในครั้งกระโนนด้วยเพราะฉะนั้นจึงไม่มีปัญหาเลยถ้าหากว่าซากเหล่านี้เกิดมีวิญญาณเข้าสิงและเคลื่อนไหวใช้พลังงานขึ้นมาเมื่อไหร่มันย่อมจะใช้โครงร่างของมันทำอันตรายมนุษย์ได้อย่างสบายหลอกหลอนทำให้ขวัญเสียตกใจกลัวได้เหมือนผู้ผีปีศาจถ้ามันต้องการจะหลอก และถ้าได้โอกาสก็สามารถทำร้ายในทางร่างกายได้อีกด้วยถ้ามันต้องการจะทำร้ายนี่คือสมรรถภาพของซาบที่ทุกคนซึ่งมาจากโลกเจริญแล้วในยุคเนิวเคลียร์รุมล้อมวิเคราะห์กันอยู่ด้วยความรู้สึกที่สยองกล้าและกังวลสุดขีดในฐานะนักเคมีฟิสิกส์คริสตินาตรวจซาบที่นอนแข็งอยู่นั้นอย่างเอาจิงเอาจัง ผิดไปจากการเคยพบเห็นครั้งแร ก, แรกเอามือจับคางคิดรีตาลงภายหลังจากลงทุนใช้มือที่สวมถุงหนังจับสัมผัสซากนั้นรวมทั้งสั่งให้พรานพื้นเมืองของระพินที่ตามมาด้วยพลิกซากขึ้นดูทั้งด้านหน้าและด้านหลังลอนตรวจแม้กระทั่งรอยกระสุนไรเฟิลของจันที่เจาะทะลุเป็นรูเล็กๆเข้าบริเวณลิ้นปี ทะลุผ่านออกหลังซึ่งบาดแผลรอยออกของกระสุนด้านหลังก็ไม่เบอร์เบอร์กว้างใหญ่อะไรมากไปกว่ารอยข้าวด้านหน้าเนื่องจากไม่ได้กระทบกระดูกเป็นบาดแผลเหมือนกระสุนเจาะผ่านดุนยางเหนียวเหนีวนี่ถ้าจะให้สันนิษฐานตามความคิดของฉันนะ่ะนะคริสติน่าเอ่ยขึ้นเบาๆ เ, เ, เคร่งเครียไอกรรมวิธีอาบยาศพของชนเผ่านี้นะ่ เป็นคลวิธีกับการทำมัมมี่ของอียิปต์หรืออินคาโบราณมากภายหลังจากเจ้าของร่างเสียชีวิตลงศพจะถูกแต่งตัวเต็มที่ตามตำแหน่งยศถาหรือฐานะที่เคยดำรงอยู่แล้วก็นำลงแช่ในอ่างที่บรรจุน้ำยาบางชนิดอันประกอบขึ้นด้วยสูตรเช่นไรบ้างนี่เป็นสิ่งลี้ลับที่เราจนปัญญาจะรู้ได้แต่ที่แน่นอนก็คือ สภาพของน้ำยาจะต้องเป็นน้ำยาอิ่มตัวที่ประกอบมาจากสมุนไพรรากไม้และแร่ธาตุบางชนิดการแช่ศพซึ่งประดับเครื่องแต่งกายเรียบร้อยแล้วนี้ลงไปในอ่างน้ำยาอาจมีกำหนดเวลาว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่จนกระทั่งน้ายาเข้าไปทาปฏิกิริยาทางเคมีกระสบและเครื่องแต่งกายโดยมีคุณสมบัติประกอบกันอยู่สองใน คือหนึ่งคงรูปถาวรและไม่เน่าเปื่อยสองมีความแข็งแกร่งมั่นคงสามารถป้องกันเชื้อจุลินทรีย์แมลงหรือสัตว์ทุกชนิดที่จะมาทำลายได้เพราะตัวยาที่สพและเครื่องแต่งกายที่แช่ไว้มีพิษประดุดกรอกที่กันสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ให้เข้าไปกัดแทะเจาะชัยได้และนี่คือสาเหตุที่ทาให้มัมมี่พวกนี้ มีภาวะของซากแกล่งประดุดงาวไม้หรือหินและคงรูปอยู่ใกล้เคียงกับสมัยที่ยังมีชีวิตมากที่สุดผิดไปจากมัมมี่ตามปกติที่เราเคยพบและภายหลังเมื่อแช่น้ำยาจนได้อายุครบเพื่อให้คงทนถาวรแล้วก็อาจจะมีเหตุผลประกอบอีกด้วยว่าจะต้องนำศพที่อาบยานี้ไปเก็บไว้ในสุสานอันเป็นถ้าตามธรรมชาติ ซึ่งมีหยดน้ำซึมหล่อเลี้ยงตลอดการโดยให้ศพถูกหยดน้ำจากหินงอกซึ่งก็เป็นตัวเคมีอีกชนิดหนึ่งหยาดลงมาอาบไว้อีกทีหนึ่งใช้การเวลายาวนานมากจนน้ำจากภูเขาของสุสานและหินได้ย้อยลงมาเชื่อมถึงตัวศพสภาพของมันจึงมีลักษณะเป็นอย่างที่เราเห็นอยู่นี่ จับเป็นสิ่งมหัศจรรย์อีกชิ้นหนึ่งของโลกทีเดียวถ้าเราสามารถนำมันกลับไปสู่โลกภายนอกให้ใครๆได้พบเห็นได้กระพินไพรวันไม่พูดอะไรในขณะนั้นแต่ก็ยอมรับอยู่ในใจว่าคริสติน่าวิเคราะห์สภาพของซากจากสุสานนิทานครได้อย่างมีหลักเกณฑ์ที่สุดในยุคก่อนนี้สมัยที่เขาผ่านะจนมากับคณะของคุณชายเชษฐา ไม่เคยมีใครมาพิจารณาซากของเจ้าผีดิบเหล่านี้อย่างแท้จริงเลยสักครั้งขนาดเห็นยังไม่อยากเข้าใกลย้ยกเว้นแต่จำเป็นจะต้องปะทะต่อสู้กันเท่านั้นซึ่งก็เป็นไปเพื่อป้องกันตัวเองเอาชีวิตรอดอย่างเดียวคริสติน่าอธิบายต่อไปว่าฉันไม่อยากจะเรียกว่ามันเป็นมัมมี่นะหรือสมบัตยาหรอก แต่อยากจะเรียกมันว่าเป็นวัตถุทรหดชนิดหนึ่งที่ถูกมนุษย์ในอดีตการใช้ความรู้ความสามารถของเขาประดิษฐ์ขึ้นมาโดยอาศัยปฏิกิริยาทางเคมีผนวกกับการเวลาซึ่งต้องถือว่าการจะทำเช่นนี้ได้ต้องเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่มนุษย์รุ่นหลังๆยังค้นคว้าเข้าไปไม่ถึงเพียงแต่ว่าวัตถุทรหดชนิดนี้แต่เดิมทีมันเคยเป็นมนุษย์ ที่มีชีวิตมากในยุคสมัยของเขาเท่านั้นสาเหตุที่ทําขึ้นก็อาจจะมีเหตุผลโดยการเชื่อว่าสักวันหนึ่งพวกเขาจะกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ในร่างเดิมหรือมิฉะนั้นก็ทําขึ้นเพื่อให้หลงเหลืออยู่เป็นอนุสรพยานทางวัตถุว่าในยุคสมัยของพวกเขาเนะวิทยาการทางด้านนี้จเจริญถึงขีดสุดศพที่นํามาอาบยา และนำเข้าเก็บไว้ในสุสานเหล่านี้ก็เช่นกันเข้าใจว่าจะต้องล้วนเป็นศพของบุคคลสำคัญสำคัญของเขาทั้งสิ้นจึงจะมีสิทธิทำเก็บไว้อย่างเช่นบรรดาพวกกษัตริย์ราชวงศ์ขุนศึกและข้าราชบริพารชั้นสูงรวมทั้งชนชั้นปกครองของพวกเขาคงไม่ใช่ประชาชนคนธรรมดาหรอกใครมีความเห็นยังไงบ้างประโยคหลังหลอนเอ่อยถามขึ้นลอยๆ ข้อสันนิษฐานของคุณก็น่าจะใกล้เคียงความจริงมากที่สุดละคริสเชิดวุตเอ่ยขึ้นในขณะที่ทุกคนแม้แต่ระพินก็เงียบกริบคุณละระพินในฐานะที่คุณน่าจะเรียกได้ว่าผู้ชนานาญการที่สุดเพราะเคยผ่านพบมาก่อนแล้วนะคริสติน่าหันไปอย่างความเห็นของระพินผมก็เห็นว่าคุณสันนิษฐานได้ดีที่สุดแล้วละคริส ตามหลักของโบราณศาสตร์มนุษยศาสตร์และกฎของเคมีแต่ความเห็นเพิ่มเติมของผมก็คือนอกจากวิทยาการต่างๆที่คุณสนิฐานขึ้นแล้วมันจะต้องมีเวทมนต์คาถาอาคมเข้ามาเป็นองค์ประกอบร่วมอยู่ด้วยและผมก็แน่ใจว่าวิชาการหรือศาสตร์นี้อยู่ในคัมภีร์มายาวินที่ผมเผาวอดวายไปแล้วนั่นแหละครับ ใครเป็นผู้จาลึกหรือสร้างมหาคัมภีร์มายาวินมันไตรราชปุโรหิตคนนั้นน่ะเหรอสแตนลีถามขึ้นจอมพลานผู้ยิ่งยงโครงสีสัจช้าๆผมไม่คิดว่ามันไตรจะเป็นผู้สร้างมหาคัมภีร์นั้นขึ้นเองนะครับมันจะต้องเป็นมหาคัมภีร์ที่มีมาก่อนยุคสมัยของนิคารนครด้วยซ้ําใครสร้างไม่ทราบได้ อาจจะเป็นเทพเจ้าถ้าเทพเจ้ามีจริงอาจจะเป็นซาตานถ้าซาตานหรือเดฟวิลในศาสนาของพวกคุณมีจริงมันไตร์นะเป็นแต่เพียงผู้รู้แจ้งเรียนจบในมหาคัมภีร์นี้แล้วนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้นก็อย่างที่ผมได้เล่ารายละเอียดให้ทุกท่านได้ฟังแล้วเพราะผมบุกเข้าไปถึงตัวมหาคัมภีร์อุบาท ซึ่งถูกปักตรึงอยู่ด้วยกริชภายใต้ฐานของแท่นบรรทมแบบเจ้าหญิงนิตราของพระนางพันธุมาวดีแล้วพวกเราคนหนึ่งกระชากกริชที่ปักอยู่ออกอิทธิฤทธิ์ร้ายอันเกิดจากกริทยามน์ของมันไตรในขณะนั้นก็เสื่อมสลายทันทีปกผีดิบทั้งหลายที่รุมล้อมทําอันตรายเราอยู่ในขณนะนั้นล้มลงหมดเหมือนหุ่นยนต์หมดคลื่นวิทยุบังคับ วิญญาณของพันธุมวดีและขาราชบริพานทั้งหลายถูกปลดปล่อยเป็นอิสระทันทีแล้วซากของพระนางอันเป็นสตรีโฉมสครานอิ่มเอิบในโลงแก้วผลึกก็ยุบสลายกลายเป็นผุยผงทุลีละอองผลจากการทรมานในสภาพผีดิบมาช่วกับช่วกันเหลือเฉพาะตัวมันตรเองเท่านั้นที่เพ่นหนีไปได้และในที่สุด เราก็สามารถตามไปทําลายซากของมันได้ในเวลาต่อมาซึ่งไม่นานเกินไปนะักการย้อนกลับมาของมันไตรในครั้งนี้แม้ว่ามันจะดูเหมือนพินาศไปแล้วในคราวนั้นก็ตามผมเชื่อว่าดวงวิญญาณของมันยังมีความทรงจำในสุดต่างๆในมหาคัมภีร์มายาวินอยู่ได้ในบางบทหรือบางตอนพอมันรวบรวมพลังจิตเป็นกลุ่มก้อน รึกนึกได้ในสูตรของมหาคัมภีร์ที่ถูกทำลายแล้วมันก็นำกลับมาใช้ได้อีกเราจึงต้องเผชิญการิร้ายของมันอีกครั้งอย่างที่เผชิญอยู่นี่นี่เป็นข้อสันนิษฐานของผมเช่นกันครับดีมากดีมากช่วยกันคิดช่วยกันวิเคราะห์ออกไปในแง่มุมที่กว้างขวางที่สุดตามแต่ว่าพวกเราใครถนัดในทางด้านไหนข้อมูลที่ช่วยกันคิดรองขึ้นนี้ จะช่วยเราสามารถรับมือกับมันได้ถนัดขึ้นดีกว่าที่จะคลาส่งเดดไปในความมืดระพินต่อไปนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะขอให้คุณอย่าปิดบังเงียบเฉยไว้คนเดียวเพราะมันอันตรายที่สุดอย่าคิดว่าถ้าพูดไปแล้วเราจะเห็นเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระและไม่ยอมฟังเสียงหรือร่วมมือเพราะถึงยังไงเราก็ลงเรือลาเดียวกันแล้วซ้าคุณยังเป็นกัปตันเรือซะอีก วันนี้เป็นวันที่ผมพอใจในการยอมพูดในสิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจมากที่สุดนะกระพิดด็อเตอร์สแตนลีย์กล่าวหนักแน่นเหมือนจะเป็นคำสั่งเจอกันเข้าขนาดนี้แล้วถ้าไม่ยอมปรีปากอะไรอีกก็ไม่ไหวแล้วละ่ะมีหวังตายกันหมดอิสเบลพูดออกมาเบาๆเราก็ต้องรู้จักจิตใจกันสกักก่อนหรือบางทีผมก็ต้องรอโอกาส ก่อนที่จะบอกความจริงออกไปในสิ่งที่ผมรู้ผมนึกหรือคิดเพราะถ้าด่วนบอกไปซะ ก, ก่อนโดยที่พวกคุณก็ยังไม่เห็นอะไรกระตาแบบนี้คำพูดของผมก็เท่ากับเป็นการทำลายความไว้วางใจจากพวกคุณไ ป, ปเปล่าหวนคิดไปถึงความหลังระยะที่ผ่านมาสั้นๆนี้สักนิดนะครับแล้วพวกคุณจะรู้สึกได้ผมได้พูดคำเดียวว่าไอการมาในครั้งนี้เนี่ยมันเสี่ยงภัยที่สุด เสียงภัยจากสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นแต่พวกคุณก็ไม่เชื่อกันนะักทุกคนเชื่อสมรรถภาพของตนเองว่ามีความสามารถในการเดินปา่าและเชื่อในสมรรถนะเครื่องไม้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ของพวกคุณที่นำมาด้วยอย่างเต็มที่ก็ต้องรอให้ผ่านพบเผชิญหน้าเองซะก่อนแบบนี้แหละถึงค่อยๆ อ, อธิบายกันไปทีละเรื่องทีละอย่างจอมรานพูดเรียบเรีย แล้วไต่หน้าผานําไปยังตําแหน่งของซากหนึ่งที่โดนลูกปืนของบุนคําแองแมงอยู่ในสภาพเดียวกันแล้วนําไปดูยังชิ้นส่วนของใบหน้าซากที่เขายิงผ่ากะโหลกหล่นไว้ซีกหนึ่งทว่าตัวของมันหายไปซะแล้วคนไม่พบรู้สึกว่าฝ่ายนายจ้างเมริกันของเขาจะปรับจิตปรับใจและเข้าใจอะไรได้ดีพอสมควร คิดใช้เท้าเขียดูเศษกะโหลกของทรงใบหน้าที่หล่นอยู่อย่างขยะขยงหันไปพึมพำอะไรกระเบลในระหว่างที่คนอื่นๆกำลังมุ่งอยู่ที่ซากซึ่งบุญคำสะกดด้วยลูกปืนนอนนิ่งไม่ผิดอะไรกะระซราที่จันยิงไว้และนายชีตนายคิดก็ชุดเหมือนเตะฟุตบอลเศษกะโหลกนั่นปลิวหล่นลงไปตามหน้าผาด้านล่างทันที ไอ้ตัวที่คุณยิงหน้าแหกไว้หนีไปได้ส่วนสองตัวที่บุญคํากระจันทร์ยิงหมดริ์ทิ้งเป็นหลักฐานอยู่นี่นี่มันหมายถึงว่ากระสุนของบุญคํากระจันรเป็นกระสุนลงอาคมส่วนกระสุนของคุณเป็นกระสุนปกติธรรมดาอย่างงั้นใช่ไหมระผิดสปนลีถามขึ้นใช่ครับพวกคุณเข้าใจพอสมควรแล้วครับในเคล็ดเหล่านี้ นนในชั้นนี้เราก็สรุปได้ว่ากระสุนที่ผ่านพิธีลงอาคมของบุญคําศักดิ์สิสทธิ์พอที่จะหยุดซากเหล่านี้ได้อย่างชะนัดชนิดที่ถ้ากระสุนกระทบวิญ ญ, ญาณก็จะหวนเข้ามาสิงนําไปใช้งานอีกไม่ได้ซึ่งตรงข้ามกับกระสุนธรรมดาแม้จะทําความย่อยยับให้แก่ซากขนาดไหนก็ตามลงท้วิ ญ, ญญาณเข้าสิงมันก็สามารถนําเอาซากที่ย่อยยับแล้วเหล่านั้น กลับมาหลอกหลอนทำร้ายเราได้อีกก็มาเป็นเช่นนี้ทำไมคุณถึงไม่แนะนำให้พวกเราทุกคนรวมทั้งลูกหาบทั้งหลายเอากระสุนที่ใช้งานเข้าพิธีปลุกเสกทางไสยศาสตร์เส ห, หมดเพื่อไว้ใช้ต่อสู้กับเจ้าสิ่งลี้ลับพวกนี้ลหละระพินระพินนิ่งไปครู่หนะึ่งยังไม่ตอบคำใดในขณะนั้นก่อนทั้งสิน้นระพิน ลักษณะของคุณดูคล้ายจลังเลลำบากใจต่อคำถามของเรานะคริสติน่าเอ่ยมาอีกจ้องหน้าเขาครับคริสผมยอมรับครับว่าลังเลและยังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะตอบพวกคุณว่ายังไงระหว่างลูกปืนที่โรงงานคมของบุญคำกับลูกปืนปกติธรรมดาของพวกเราส่วนใหญ่เพราะมันจะต้องมีคำอธิบายมากในข้อที่ว่าทาไมผมยังไม่ทาเช่นนั้น อย่าว่าแต่กระสุนของพวกคุณเลยต่อให้กระสุนของผมเองก็ยังไม่ตัดสินใจทำอย่างบุญคำเลยเพราะมันเกิดผลดีอยู่ในด้านปราบไอผีดิบที่ถูกบงการมาด้วยเวทมนตรีลี้ลับนี่อย่างเดียวเท่านั้นแต่มันจะไปเป็นผลเสียในด้านอื่นๆครับกะพินเราต้องการคําอธิบายนะถ้าคุณพอจะอธิบายในเรื่องนี้ได้ สแตนลีกัคิดเอ่ยขึ้นพร้อมกันนี่คุณอย่าลืมคำสัญญาของคุณม่หยกย ก, ยกนี่เช่นนะว่าต่อไปนี้คุณจะไม่มีอะไรปกปิดพวกเราอีกแล้วแม่นักเคมีฟิสิกสาวกระชั้นคำถามไล่รุกมาอีกคนเอาครับยายผมอธิบายก็ได้ครับคืองี้ครับพิธีโลอาคมในกระสุนปืนของบุญคำเป็นพิธีทางไสยศาสตร์ ที่ทำในลักษณะค่อนข้างจะสกระปรกอยู่สักหน่อยภาษาไทยนะเขาเรียกว่าซวยโศโครครับผมจะไม่บอกกรรมวิธีหรอกว่าบุญคำใช้วิธีทางเดราชานเพื่อแก้มน์มืดของฝ่ายตรงข้ามยังไงแต่จะสรุปให้ฟังนะครับว่ากระสุนที่บุญคำปลุกเสกทำขึ้นนั้นจะใช้ประโยชน์ในด้านทำลายอาคมขลังของฝ่ายตรงข้ามประการเดียวเท่านั้นอย่างที่บอกไปแล้ว และจะใช้ฆ่าหรือสังหารอะไรได้ตามปกติก็จริงอยู่แต่ถ้าเป็นปืนของพรานผู้ดำรงชีพอยู่ด้วยการล่าสัตว์ประทังชีวิตแล้วเขาจะไม่ยอมทํากันเพราะถ้าเอาไปยิงสัตว์ปกติทั่วๆไปกระสุนจะมีความแม่นยําน้อยลงไอ้ที่ควรจะถูกก็ไม่ถูกควรจะยิงสัตว์ให้ล้มได้ตัวต่อตั ว, ตวก็ไม่ได้สัตว์ธรรมดาก็ยังวิ่งหนีไปตายใครอื่นไง หรือถ้าได้ตัวมาแล้วเนื้อสัตว์นั้นแทนที่จะอาศัยเป็นอาหารได้บ้างแต่เนื้อที่ถูกกระสุนปืนชนิดโลงาคมก็จะเน่าเร็วกว่าปกติขนาดบางที่ถลกหนังยังไม่ทันหมดตัวเลยครับกลิ่นเน่าของสัตว์ที่เราหวังจะเป็นอาหารก็ขึ้นซะแล้วทำให้กินไม่ได้นี่คือข้อเสียครับเพราะฉะนั้นในฐานะพรานอาชีพอย่างผมผมจึงไม่ประสงค์จะให้ปืนของผม ถูกนำมาใช้กับกระสุนผ่านพิธีศกปลกแบบนี้เนื่องจากผมใช้เป็นปืนคู่ชีพและมีอยู่เพียงกระบอกเดียวต่อไปเราก็จะต้องใช้เป็นเครื่องมือหาอาหารยังชีพอีกด้วยยังไงก็ตามนะครับถ้าพวกคุณไม่รังเกียจในจุดเสียข้อนี้อยากจะได้กระสุนลงอาคมของบุญคำก็ไม่ยากอะไรประเดี๋ยวเอากระสุนที่จาเป็นจะต้องใช้รวบรวมให้บุญคาเอาไปเข้าพิธีปลุกเศษซะ รับรองได้ครับว่าต่อไปนี้โคมไหนโคมนั้นครับสำหรับไอ้ผีดิบหรือสิ่งต่างๆที่จะมาในรูปมนมายามืดของมันไรจะกระจุยไปในทันทีจิงขอให้พวกคุณปรึกษาหารือกันสะก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะยอมให้ปืนของพวกคุณยิงกระสุนเข้าพิธีศกปลุกชนิดนี้หรือไม่คราวนี้สแตนลีคีตอิเบและคริสติน่า มองหน้ากันเองอยู่ไปมาแปลว่าบุญคำสามารถทำกระสุนของพวกเราทุกคนยิงไอ้พวกนี้อยู่ในนัดเดียวยังงั้นเหรอแน่นอนครับไม่ว่าจะกระทบในจุดใดแต่ปืนของเราจะเอาไปล่าสัตว์อื่นๆอีกไม่ได้โดยเฉพาะเพื่อยังชีพหาอาหารใช่ไหมแตลีซักไซเพื่อหาความมั่นใจอีกครั้ง สุภาพบุรุษภัยก้มหัวลงนิดนึ่งลองดูก็จะรู้เองนะครับอะถ้างั้นพวกเราก็ตัดสินใจได้เลยหัวหน้าคณะอันเป็นอเมริกันอาวุโสลาวสวนในทันทีโดยไม่มีการไตร่ตรองอีกให้เสียเวลาขณะนี้เรากำลังเผชิญกับอันตรายใหญ่หลวงจากมนการีมืดต้องการต่อสู้กับมันเพื่อเอาชนะให้ได้หรืออย่างน้อยก็ให้เอาชีวิตของเรารอด ปืนของเราไม่ได้จะคิดเอาไว้ล่าสัตว์อีกเพราะเราไม่ใช่พรานอาชีพเพราะฉะนั้นโปรดให้บุญคํำจัดการก ร, กระสุนปืนของพวกเราด้วยผมไม่ชอบเห็นไอ้ผีดิบบางตัวที่ถูกยิงสะบ้าแหลกเดินไม่ได้แล้วหรือยิงจนหัวขาดหายไปแล้วมีโอกาสคลานหรือย่องเข้ามาหลอกหลอนทำมันตรายพวกเราได้อีกแต่ต้องการกําจัดมันวิจารพูดในตรงๆว่าฆ่ามันซะเลยในทุกตัวที่เราพบ เป็นการลิดรอนมันไปเรื่อยๆสุดแต่จะพบที่ไหนยังไงเมื่อไรเท่ากับเป็นการตัดทอนกำลังมันไปในตัวด้วย่ะตกลงครับงั้นประเดี๋ยวลงไปถึงข้างล่างตรงลานใต้หน้าผานั่นก่อนออกเดินทางผมจะให้บุญคาจัดการให้ครับแต่ขอให้เข้าใจอีกครั้งนะครับถึงแม้จะไม่ได้ยิงก็ตามเพียงแต่บรรจุกระสุนชนิดนี้เข้าไปในตัวปืน โดยให้กระสุนสัมผัสกระโครงปืนเท่านั้นก็แปลว่าปืนของพวกคุณกระบอกนั้นๆเสียสมรรถนะของปืนในสภาพปกติอันควรเป็นไปของมันในทันทีครับต่อไปเกิดจะไปยิงอะไรแล้วไม่ถูกหรือมีเรื่องอะไรซวยๆเกิดขึ้นกับปืนก็แก้ไขไม่ได้แล้วแล้วก็อย่ามาโทษกันสําหรับปืนของผมก็จะขอใช้กระสุนธรรมดาแบบเดิมของผมนี่แหละครับ